วิธีให้สุดทันตะปริวาสและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงให้สุดทันตะปริวาสอย่างนี้คือภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวกระผมไม่รู้ที่สุดอาบัตไม่รู้ที่สุดราตรีระลึกที่สุดอาบัตไม่ได้ระลึกที่สุดราตรีไม่ได้ไม่แน่ใจในที่สุดอาบัตไม่แน่ใจในที่สุดราตรีท่านผู้เจริญกระผมนั้นขอสุดทันตะปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสง พึงขอแม้ครั้งที่สองและพึงขอแม้ครั้งที่สามและภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติจตุถกรรมาวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษหลายตัว ภิกษุนั้นไม่รู้ที่สุดอาบัตไม่รู้ที่สุดราตรีระลึกที่สุดอาบัตไม่ได้ระลึกที่สุดราตรีไม่ได้ไม่แน่ใจในที่สุดอาบัตไม่แน่ใจในที่สุดราตรีภิกษุนั้นขอสุดทันตะปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วสงฆ์พึงให้สุดทันตะปริวาส เพื่ออาบัดเหล่านั้นแก่ภิกษุชื่อนี้นี่เป็นยัติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้ต้องอาบัดสังฆาทิเศตหลายตัวภิกษุนั้นไม่รู้ที่สุดอาบัดไม่รู้ที่สุดราตรีระลึกที่สุดอาบัดไม่ได้ระลึกที่สุดราตรีไม่ได้ไม่แน่ใจในที่สุดอาบัด ไม่แน่ใจในที่สุดราตรีภิกษุนั้นขอสุดทันตะปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงฆ์สงฆ์พึงให้สุดทันตะปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่ภิกษุชื่อนี้แล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้สุดทันตะปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่ง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 ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้